<c oughs> ได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อเทียนเส ม, มอว่าให้ออกจากความคิดตามคุณเล็กก่อนออกยังไงออกจากความคิดเนี่ยอาจารย์ท่านจะได้สรุปก็ออกจากความคิดโดยการมาสร้างธรรมสิกธิ์เอ เพราะว่าพอเรารู้สึกตัวความคิดเราก็หยุดเพราะว่าเราไมนอยู่ความรู้สึกตัวคืออาการของเพราะว่ารูปนามมันมีเรื่องันคือสภาวะของจิตที่ส่งออกนอกมันก็ทำให้เกิดความคิดแต่พอจิตมันมันรวมมันก็เป็นแค่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคืออะไร ความรู้สึกตัวคืออะไรคือคือความรู้สึกเหมือนเราพอมันรู้สึกรู้สึกต่อเนื่องรู้สึกภายในกายแล้วยมดูจักกายคนะ่ะดูจากกายว่าวอนนี้กายอย่างที่อาจารย์ให้ดูเวทนาว่าเอา่เอแข็งอ่อนเย็นร้อนนอนแข็งเท่้งตึงพอเราดูอย่างนเรื่อย พอมันต่อเนื่องมันก็จะเกิดเป็นความรู้สึกตัวทุกพรองและพอจิตส่งออกนอ ก, นอกราก็รู้สึกกลับเข้ามาความรู้สึกตัวก็คือรูปนามนั่นเอจบ<ะ>รูปนามเป็นไตรลักษณ์อาคุณปิงออกจากความคิดได้ยัง<ะ>รู้ตัวว่าคิดแต่ออกได้อี่แบบ รู้ว่าเมื่อไหร่คิดแล้วมันก็กลับมาก็คือไม่ให้ออกจากตัวเนี่ยไม่เกิ น, านกายามใจหยุดได้ใบไม้ซ่าเราะมันก็คิดตลอดเวลาแต่ว่าพอรู้แล้วมันเริ่มคิดมันก็มันก็หยุดแต่ถ้าฟงซ่านก็ลืมเลยนะต้องทําอย่างอื่นแทนโยมเตียงโยมเตียงใด้คิดฟงซ่าน แต่พยายามจะจะจะอยู่กับตัวเลยครับที่จริงความคิดแบบว่าไงตั้งแต่เกิด ม, มันคิ ด, ดมันแค่คิดตลอดแล้วพกมันไม่ได้สร้างความรู้สึกโดยนะมันก็เลยเป็นความเคยชินก็ต้องต้องปฏิบัติต้องต้องพยายามต่อไปจะได้ฟังอาจารย์ท่านได้สรุปชัดๆให้พวกเราได้เข้าใจให้ หลักการวิธีการวายพ่อเทียนนจะเน้นมากให้ออกจากความคิดปัญหาใหญ่ของเราก็คือหลงไปตามความคิดอันในช่วงนี้จะได้ถวายอาจารย์ได้สรุปธรรมะในภาคเช้าวันนี้